BOOK 2ห้าสิบเจ็ดสนกวบล์บระนกบลิระพบหมอวราชมดิชวราชมดิชดิฉันมีนัดกับคุณหมอ вра ชิมซูซักเเชนูชิดดิฉันมีนัดตอนสิบนาฬิกาสัฮาตุร์พชุมซูซักเเชนูชิดคุณชื่ออะไรคะสุดพลอยควาซ์ซ์ดพลอยวาซ์ซ การุณานั่งรอในห้องเย็บลากับมก็ชิคุ้ตมาเยบากัมกชิสเซจคุชตมาคุณหมอกำลังเดินทางมาวราชิรจดดมกคุต์วราชิรจดดมก็คุตคุณมีประกันกับบริษัทไหนทดสตราฮฟกกชิว สดุดสตระหัวก์ชีวิดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหมสดุดชะสิษอากู้วาสุดชิษสละชิตะะะ ช, ชตาคุณมีอาการปวดไหมคะมะ เจ็บตรงไหนคะสดาอูซรสดาอูซร์ดิฉันปวดหลังเป็นประจำเรโนบูซึมซกากเมชิรีนูซึมซ ก, กมดิฉันปวดหัวบ่อยช้าวูซึมบระซากเมช ชราจำมบอรเสีะกู ม, ม่ชดิฉันปวดท้องเป็นบางครั้งเราจำเสีะกมไม่ชัดเราจำเสีะกู ม, มชถอดเสื้อออกค่ะวุบกึนสัสซิกตัวุบกึนสัสกตัจ นอนบนเตียงตรวจค่ะวัชพอมเซโรจวัมซรจความดันโลหิตปกติวิชเดกอยสเกวเดา ว, วิชเดกยกวาดอดิฉันจะฉีดยาให้คุณเวุตสกบคัสลฮชต์ซ ดทดิฉันจะให้ยาคุณเซอร์ติชร์วูดส์วิชโติชดิฉันจะเขียนใบสั่งยาให้คุณไปซื้อที่ร้านขายยาอซูเพรซิปต์ก รีเซ็ปต์กับฟิสต์ขิ้นอ